าาานมวิสาขาพรามได้นำนางวิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้เห็นแจ้งม่คาราเศรษฐีนั่งหน้าเธมืองถึง มีอาการเกลี้ยกลาดฉายอยู่ทั้งใบหน้าแล้วแววตามีอะไรอีกละพรามเศรษฐีตั้งคําถามกระชากกระชากข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนว่าได้กระทําผิดประการใดจึงต้องถูกไล่กลับมาพรามตอบความผิดประการใดะก็การที่เธอบังอาจว่าเรากินของเก่าของสกปรกไง ยังไม่พบอีกหรือไงข้าแต่ท่านบิดานางวิสาขาพูดในน้ําเสียงเรื่อยเป็นปกติคำที่ลูกพูดนั้นเน่ะไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาน่าบริโภคของสกปรกแต่ลูกหมายความว่าท่านบิดากําลังกินบุญเก่าลูกคิดว่าการที่ท่านบิดามั่งมีสีสุขมีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันชาตินี้นะโดยที่ท่านบิดาไม่ได้ลงทุนลงแรงทาอะไรมากนกะ ทรัพ ส, สมบัติก็ล้วนแต่เป็นมรดกตกทอดมาทั้งสิ้นนั้นน่ะเป็นเพราะว่าบุญเก่าของท่านบิดาอํานวยผลให้ถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญหมายให้เกิดขึ้นเนี่ยบุญเก่านั้นก็จะต้องหมดไปสักวันหนึ่งลูกหมายถึงบุญเก่านี่เองจึงพูดว่าบิดากําลังบริโภคของเก่าอยู่นะข้าแต่ท่านเศรษฐีข้อนี้น่ะครเป็นความผิดของแม่เจ้าไม่พราหม์พูดขึ้น เอาเถอะแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคือนก่อนนี้นะ่ะนางก็ได้ทำสิ่งที่นารังเกียจคือเราเห็นนางนะ่ะลงไปที่คอกลาเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนนางลงไปทำไมเพราะนั่นนะ่ะเป็นกิจที่กุลสตรีไม่พึงกระทำข้าตาบิดาคืนนั้นนะ่ะลามันออกลูกแล้วก็ออกด้วยความทรมานลูกเพียงแต่ลงไปดูมันแล้วก็ช่วยมันเท่าที่ลูกพอช่วยได้ และานจานลงไปนะลูกไม่ได้ลงไปเพียงคนเดียวมีหญิงคนใช้ไปด้วยหลายคนและก็นำประทีปพคมไฟสว่างสวยลงไปด้วยข้าแต่ท่านเศรษฐีแม้ข้อนี้ก็จะถือเป็นความผิดของนางหาได้ไหมพรามกล่าวเอาเถอะแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนสุดท้ายที่นางจะมาสู่ตระกูลเรา เราได้ยินบีดาของนางพูดสั่งเสียข้อความถึงสิบข้อซึ่งเราไม่พอใจเราไมา่ต้องการสตรีที่พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ในบ้านเดือนของเราเพราะว่าจะนำภัยพิบัติมาสู่ตระกูลอย่างแน่แท้จะเป็นไปได้หรือที่จะห้ามไมิให้เราเนี่ยนำไฟภายในออกเมื่อเพื่อนบ้านมาขอจุดไฟและเมื่อไฟในบ้านเราดับเราก็ต้องไปขอจุดไฟภายนอกบ้านเข้ามาในบ้าน บิดาของนางเนี่ยห้ามนางไม่ให้นําไฟในออกและก็ไฟนอกเข้าเราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการใจแคบเกินไปนางวิสาขายิ้มน้อ ย, อยแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาข้อนี้นะ่ะบิดาของลูกหมายความว่าถ้าหากมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวหรือว่าเกิดเรื่องของลาแห่งกับสามีหรือว่าบิดาแห่งสามีหรือว่าจะเป็นอันโตชนใดๆ ก็อย่าได้นำเรื่องเหล่านั้นนะไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้านเ็าฟังเพราะเป็นเรื่องประจานตัวเองส่วนข้อที่ไม่ให้นำไฟนอกเข้านั้นก็หมายความว่าอย่าได้นำเรื่องยุ่งยุ่งภายนอกบ้านเนี่ยมาก่อความรำคาญแก่สามีหรือว่าบิดามารดาแห่งสามีเอาแล้วข้ออื่นอีกละ่ะเศรษฐีถามโดยไม่ได้มองหน้านางวิสาขาชี้แจงให้ฟังตามลาดับดังนี้ แก่คนที่ให้นั้นก็หมายความว่าเมื่อมีผู้มายืมของใช้หรือว่าเงินทองถ้าเขาใช้คืนก็ควรจะให้เขายืมต่อไปในคราวหน้าข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าถ้าใครยืมเงินทองของใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ใช้คืนนําไปแล้วก็เฉยซะแสดงถึงความเป็นคนมีนิสัยไม่สะอาดคราวต่อไปอย่าให้ยืมอีกโดยเฉพาะเงินทองเนี่ย เป็นของที่ทำให้มิตรรักกันก็ได้แต่กันก็ได้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นั้นก็หมายความว่าเมื่อญาติพี่น้องประสบความทุกข์ยากบากหน้ามาพึ่งจะเป็นการกู้ยืมหรือขอก็าตามควรให้แก่ญาติพี่น้องนั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ก็ช่างเขาเถอะเพราะเป็นญาติพี่น้องกันต้องสงเคราะห์เขาตามควรแก่ฐานนะข้อว่าจงนั่งให้เป็นหมายความว่า เมื่อสามีหรือบิดามารดาของสามีหรือว่าผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต่ำก็อย่าได้นั่งบนที่สูงกว่าเพราะว่าเป็นกิริยาที่ไม่งามไม่สมกับเป็นกุลสตรีข้อว่าจงนอนให้เป็นนั้นนะ่ะหมายความว่าเมื่อมารดาบิดาของสามีหรือว่าสามียังไม่นอนก็ยังไม่ควรนอนควรปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้มีความสุขเมื่อท่านนอนแล้วนะ่จึงค่อยนอนทีหลัง และนอนวางมือวางเท้าให้เรียบร้อยพยายามตื่นก่อนสามีและมารดาบิดาของสามีจัดแจงน้ําและก็ไม้ชำระฟันให้คอยท่านเสร็จแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารเครื่องบริโภคไว้สำหรับท่านด้วยข้อว่าจงบริโภคให้เป็นนั้นก็หมายความว่าอย่าบริโภคก่อนสามีหรือว่ามารดาบิดาของสามีคอยดูแลให้ท่านบริโภคแล้วจึงค่อยบริโภคทีหลังหรืออย่างน้อยก็บริโภคพร้อมกัน ในการบริโภคนั้นน่ยควรสำรวมกิริยาให้เรียบร้อยไ ม, ม่มูมามไม่บริโภคสิ่งจับจับเหมือนอาการให้สุ ก, กรไม่บริโภคให้มเมล็ดข้าวตกเคลื่อราดดังอาจารย์แห่งเป็ดข้อว่าจงบูชาเทวดานั้นก็มีความหมายว่าให้บูชาสามีทั้งกายและใจมีความเคารพและก็จงรักในสามีเหมือนเทวดาจึงมีคําพูดติดปากกันมานานแล้วว่า สตรีที่แต่งงานแล้วและสามีรักนั้นนะ่ะชื่อว่าเทวดารักษาคุ้มครองตรงกันข้ามถ้าสามีไม่รักก็ชื่อว่าเทวดาไม่คุ้มครองข้อว่าจงบูชาไฟนั้นก็หมายความว่าให้บูชามารดาบิดาของสามีท่านทั้งสองเนี่ยเปรียบเหมือนไฟมีทั้งคุณและโทษอาจจะให้คุณให้โทษก็ได้ถ้าปฏิบัติดีก็จะให้คุณแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะให้โทษมาก เพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อท่านด้วยดีมีสัมมาคาระวะไม่ดูหมิน่นเมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงท่านมิคาระเศรษฐีก็ก้มหน้านิ่งไม่รู้จะตอบนางประการใดพราหมณ์ชำระความระหว่างสภัายและพ่อผัวจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีเรื่องทั้งหมดมหนี้นางหามีความผิดไม่นางเป็นผู้บริสุทธิ์เศรษฐีจึงกล่าวขอโทษนางวิสาขาที่ท่านเข้าใจผิดไป นางวิสาขาจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาบัด น, นี้ข้าพระเจ้าพ้นจากความผิดทั้งปวงแล้วจึงสมควรจะกลับไปสู่เรือนแห่งบิดาของตนอย่าเลยลูกรักมิคาราเศรษฐีพูดกับลูกสะั้ยด้วยสายตาวิงวอนนางวิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อนางอยู่เรื อ, อนตนนนครสาเกตได้มีโอกาสทาบุญและฟังทำตามโอกาสที่ควร แต่เมื่อนางมาอยู่ที่นี่แล้วนินางไม่มีโอกาสทำได้เลยจิตใจกระวนกระวายคล้ายจะทำบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้กระทำไม่ถ้าบิดาจะอนุญาตให้นางทำบุญกุศลตาม ต, ามต้องการนางก็จะอยู่แต่ถ้าท่านบิดาไม่อนุญาตนางก็จะขอลากลับไปสุนครสาเกตตามเดิมเศรษฐีจึงกล่าวขึ้นว่าลูกรักทาเถอะทำบุญได้ตามปรารถนาน พ่อไม่ขัดข้องหรอกแล้วลก็ปุณณวัฒนกุ ม, มารสามีของเจ้าก็คงไม่ขัดข้องเช่นกันล่ะเมื่อเศรษฐีกล่าวอนุญาตเช่นนี้หัวใจของนางวิสาขาที่เคยหิวแห้งก็กลับชุ่มชื่นเบิกบานประหนึ่งตินัญชาติซึ่งขาดน้ำมาเป็นเวลานานแหลแล้วก็กลับได้อุทธกธาราเพราะพิรุนหลังในต้นวัฏ ส, สารดุดดุหรือประดุดประถุ ม, มานเบ่งบานขยายกลีบ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 คันร่งขึ้นนางวิสาขาได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและปิสุกสาวกเพื่อเสวยพัตนาฐานที่บ้านตนพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาแล้วเสด็จสู่บ้านของนางวิสาขาเมื่อเสวยเสร็จแล้วมีพระพุทธประสงค์จะส่งอนุโมทนาและแสดงธรรมพอเป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้ถวายนางวิสาขาจึงให้คนไปเชิญบิดาสามีมาเพื่อร่วมฟังอนุโมทนาด้วย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 พระองค์ตรัสว่าข้าวเปลือสัตว์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอืนอ่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนําไปไม่ได้ต้องข้อทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทําด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขา เป็นสิ่งที่เขาต้องนำไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณกรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สัมภารยภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ตรัสว่าทรงเห็นด้วยกับคำกล่าวของบัณฑิตผู้หนึ่งว่าเมื่อไฟไหม้บ้าน ภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไหม้อยู่ก็ฉะนั้นคือผู้ฉลาดย่อม น, นำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผล ส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นฉะนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยซะบ้างไฟอาจจะไหม้ซะบ้างอีกอย่างหนึง่งเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลย่อมละทรัพย์สมบัติและแม้สริระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้ผู้สงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าความตรณีเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมบานพันข้าวลงในนาเขาเก็บพันข้าวไว้จนเน่าและก็เสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หวานลงแล้วหนึ่งเม็ดย่อมได้ผลหนึ่งรวงฉันใด ทานที่บุคคลทําแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาลการรวบรวมซัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ซัพ์นั้นจะมีคุณแก่ตนยังไงเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษานับชื่อไมฮักกะ ชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองนกนกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไปนกไมฮกักก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันไรบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทซัพย์ไม่มากมาย แต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งมิได้ใช้สอยเองให้พาสุกโม่เฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพสมบัติย่อมเสียหายไปสุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากลายเขาก็คงคลั่งควรอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพได้แล้ว พึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นดูก่อนท่านทั้งหลายทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสระโบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจือสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมแต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบหรือว่าใช้สอยตามต้องการไม่ น้ำนั้นนะ่ะมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรับของคนตระหนี่ก็ฉะนั้นไม่อํานวยประโยชน์สุขแกใครๆเลยรวมทั้งตัวเขาเองด้วยส่วนคนดีเมื่อมีทซั์แล้วย่อมบํารุงมารดาบิดาบุตรภันยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขบํารุงสมณะปรมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเสมือนสระบกกรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็น น่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและก็ใช้สอยตามต้องการโพค่าของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปลา่าประโยชน์ไม่ดูก่อนทัานทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อน การเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถอะมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นน่ะย่อมให้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถอะคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่น หยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นน่ยย่อมพลันตื้นเขินแล้วก็สกรปรกเพราะมิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธัญญาหารที่สู่ไว้สดก็หาได้ยากแต่แม่น้ำสายใดเนี่ยไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนา มันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตรณีเมื่อได้ซักแล้วก็เก็บตนไว้ไม่ถ่ายเทยให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนได้น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตรหนีเป็นเหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอ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 สัมปทาหรือทานจะมีผลมากอนิสงฆ์ภัยศาลถ้าประกอบด้วยองค์หกกล่าวคือก่อนให้ผู้ให้ก็มีใจผ่องใสชื่นบานเมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใสเมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดายผู้รับปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะผู้รับปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะและผู้รับปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะฐานที่ประกอบด้วยองค์หกนี่แลเป็นการยากที่จะกําหนดผลแห่งบุญว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณเหลือที่จะกําหนดเหมือนน้ําในมหาสมุทย่อมกําหนดได้โดยยากว่า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 ให้ทานในที่ใดจึงจะงมีผลมากเราตถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากกันแล้วละก็ควรจะให้ในท่านผู้มีศีลการให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากไหมสถานที่ทำบุญเปรียบเหมือนเนื้อนาเจตนาละยะธรรมของทายกเปรียบเหมือนเมนเล็ดพืชทั้งเนื้อนาบุญคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลรม และประกอบด้วยมเมล็ดพืชคือเจตนาและทายธรรมของทายกบริสุทธิ์ฐานนั้นก็ย่อมมีผลมากการหว่านข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคาต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใดการทําบุญในคณะบุคคลผู้มีสีน้อยมีธรรมน้อยก็ฉันนั้นคือย่อมได้บุญน้อยส่วนการทําบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีดีมีธรรมงาม ย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้พระศาสดายังพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยปัจจิมน์ว่าเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่เหตุผลหยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้ชันใดการสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉะนั้น ผู้สั่งสมบุญย่อมเปีียมล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปรไปด้วยบาประธรรมเทศนาเป็นเสมือนจุดแสงสว่างให้โพรงขึ้นในดวงใจของเศรษฐีเขาคลานเข้ามาถวายบังคมพระมุงคกลบาบแห่งพระศาสดาพร้อมด้วยกล่าวสรรเสริญว่าจมแจ้งจริงพระเจ้าค่แจมแจ้งจริง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 ตั้งแต่บัดนั้นมามิคาราเศรษฐีก็นับถือนางวิสาขาในสองฐานะคือฐานะสะพายและฐานะแม่จึงเรียกนางวิสาขาว่าแม่ทุกคําไปเพราะถือว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้จูงให้ท่านเดินเข้าทางถูกจูงออกจากทางรกเมื่อคนทั้งหลายพูดถึงนางวิสาขาก็มักจะเติมส้อยคาตามมาข้างหลังว่ามิคารามาดา แม้พระสาวกซึ่งเป็นพิสูจ์เมื่อกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประทับอยู่ที่ปุารามก็กล่าวว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนปะราสาสของนางวิสาขามิคารมารดานในปุาราม เหตุที่บิดาแห่งสามีเรียกตนว่าแม่และคนทั้งหลายพากันเรียกนางว่ามิคารมาดานางวิสาขารู้สึกละอายและกระดาดแต่ไม่ทราบจะทําประการใดเมื่อมีลูกชายในระยะต่อมาจึงตั้งชื่อลูกชายให้เหมือนชื่อปู่ของเด็กว่ามิคาระเพื่อจะได้แก้ความขวยอายและกันความละอายเมื่อมีผู้เรียกนางว่ามิคารมาดา จะได้หมายถึงมารดาแห่งมิคาระลูกชายของตนตั้งแต่มิคาระเศรษฐีเริ่มใสในพุทธศาสนาแล้วประตูบ้านของนางวิสาขาก็เปิดออกสำหรับต้อนรับประสง์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคมีเสมอที่นางนิมนตประสงค์จำนวนร้อยมีพระพุทธองค์เป็นประมุขเพื่อรับประทานาและเสวยที่เรือนขอ ง, งานางมหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำบัณฑิตและปราดย่อมไม่อิ่มด้วยคำสุภาษิต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 ตนได้ทําความดีเป็นความสุขที่พองแผ้วสงบและชื่นบานเหมือนสายน้ําที่กระเซ็นจากหุบผาก่อความชื่นฉ่าให้แก่กรัดกายฉันใดก็ฉันนั้นตลอดเวลาที่พระศาสดาประทรับอยู่ณกรุงสาวัตถีนางจะไปเฝ้าพระองค์วันละสเวลาคือเวลาเช้าและเวลาเย็นเมื่อไปเวลาเช้า ก็ถือยาคูและอาหารอื่นๆติดมือไปด้วยเมื่อไปเวลาเย็นก็มีน้ำปานะชนิดต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภคไปนางไม่เคยไปมือเปล่าเลยทั้งภิกษสุสา ม, มนเณรและอุบาสกอุบาสิกาต่างก็พร้อมใจกันเรียกานางว่ามหาอุบาสิกาเพื่อเป็นเกียรติแก่นางผู้มีใจประเสริฐ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 ทำที่บุคคลประพฤตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เมื่อไปในงานมงคลนางก็ต้องสวมเครื่องประดับมหาลดาปราสาทอันสวยงามและเลิศค่ากรับจากงานแล้วนางก็ต้องการจะแวะไปเฝ้าพระศาสดาแต่เห็นว่าไม่ควรจะสวมเครื่องประดับมหาละดาปราสาทเข้าไปจึงถอดแล้วห่อให้หญิงคนใช้ถือเอาไว้เมื่อเฝ้าพระศาสดาพอสมควรแก่เวลาแล้ว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 ยิงคนใช้มีท่าทางตื่นตนกตกใจอย่างมากนี่เครื่องประดับของนายเธอรับไปเถอะข้าพเจ้าพูดพร้อมด้วยวางของลงข้าแต่พระกุณเจ้านางคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าโดยเสียงสั่นเกลือมีอาการเหมือนจะร้องไห้แม่นายสั่งไว้ว่าถ้าพระกุณเจ้าจับต้องและเก็บเครื่องประดับไว้แล้วก็ไม่ต้องรับคืน แม่นายบอกว่าพระกุณเจ้าน่ะเป็นที่เคารพของแม่นายอย่างยิ่งแม่นายไม่สมควรจะสวมเครื่องประดับที่พระกุณเจ้าจับต้องแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ขะข้าพเจ้ารับคืนไปไม่ได้หรอกน้องหญิงเครื่องประดับมหาดาประสาทนี้นะ่ะมีค่ามากนอกจากนี้นะ่ะยังเป็นเครื่องประดับของสตรีไม่สมควรที่สมณะจะเก็บเอาไว้อัตมาจะเอาไว้ทําอะไรละ่ะ จงรับคืนไปเถอะและบอกนางว่าอาตมาให้รับคืนไปน้องหญิงทําตามคําขอร้องของอาตมานายของเธอคงไม่ว่าอะไรดอกแม่นายสั่งไม่ว่าให้ถวายพระกุณเจ้านะอาตมาจะเอาไว้ทําอะไรล่ะหญิงคนใช้จาใจต้องรับเรื่องประดับคืนไปนางเดินร้องไห้ไปพลางเพราะกเกงจะถูกลงโทษ นางวิสาขาเห็นหญิงคนใช้เดินร้องไห้กลับไปพร้อมด้วยห่อของนางก็ค่าเหตุการ์ได้โดยตลอดจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอนนท์เก็บไว้รืงไงเจ้าข้าแล้วเธอร้องไห้ทำไมล่ะข้าเสียใจที่รักษาของแม่นายไว้ไม่ได้แม่นายจะลงโทษข้าประการไหนก็ตามเถอะข้ายอมรับผิดทุกประการแหละ คือประดับนี้มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของข้าไม่ใช่เพียงแต่ชีวิตของข้าเท่านั้นแต่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตครอบครัวและญาติญาติของข้าพระเจ้าทั้งหมดรวมกันว่าแล้วนางก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกลิ้งเปลือกอยู่แทบท้าของนางวิสาขานางวิสาขายืนสงบนิ่งกระแสความรู้สึกของนางไหลเวียนเหมือนสายน้ําในวงนังวนนางคิดถึงชีวิตทาาอนิจจา ชีวิตธาตุช่างลำบากและกั้งวลสินี่กระไรรับใช้ใกล้ชิดเกินไปก็หาว่าประจบสอพลอเฮินห่างไปหน่อยเขาก็ว่าทอดทิ้งธุระของนายผู้เสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบพู้เสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชกหกห่าใคระจะสามารถรับใช้านายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตธาตุเป็นชีวิตที่ลำเค็ญเหนื่อยยาก ทั้งๆ ท, ที่เป็นอย่างนี้คนทาส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์สียสละและกะตัญญูเสียด้สามใจที่ส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสำหรับทาาซึ่งซื่อสัตย์กตัญญูและสียสละต่อ น, นายของตนแต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่สีสละเพื่อทาาเท่านั้น อย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ทาตไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อให้ทาตหวังอย่างรมๆแรงๆเหนียวบำเหน็ตทำความผิดน้อยเป็นผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นน่ะไม่ค่อยจะได้พูดถึงหรอกหญิงคนใช้ของเรานี้นะ่ะเพียงแต่ลืมเครื่องประดับไว้และนำคืนมาได้ไม่ใช่ทำของเสียหายอย่างใด ยังยอมเอาชีวิตของตนมาถ่ายทอนความผิดเราจำจะต้องปลอบนางให้หายโศกและบำรุงหัวใจของนางด้วยคําหวานพระโบราณในคำพีกล่าวไว้ว่าแสงจันทร์ก็เย็นกลิ่นไม้จันทร์ก็เย็นแต่ความเย็นทั้งสองประการนั้นรวมกันแล้วยังไม่เท่ากับความเย็นแห่งมัททรสวาจาอันหนึ่งการแสดงความรักใคร่แม้ต่อบุคคลที่ไม่ได้รับใช้ตน เอื้ออารีขว้างขวางเพื่อความรักให้ระลึกถึงความดีแต่เก่าวก่อนให้อภัยในความผิดพลาดเหล่านี้น่ะเป็นลักษณะของผู้มีใจกรุณาและแล้วนางวิสาขาก็กล่าวว่าสุสีมายกขึ้นเถอะอย่าข้ามครว น, นักเลยข้อที่เธอลืมเครื่องประดับไว้นั้นนะ่ะเราไม่ได้ถือเป็นความผิดประการใดเราเองยังลืมได้ ทำไมเธอจะลืมบ้างไม่ได้ละ่ะเครื่องประดับนี้นะ่ะมีค่ากว่าจริงอยู่แต่ก็หามีค่าเท่าชีวิตของเธอไม่เครื่องประดับมหารละดาประสาทนีนะ้ถ้าหายหรือเสียไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราก็ทำใหม่ได้แต่ชีวิตของเธอน่ะถ้าเสียไปจะทำใหม่ได้ที่ไหนละ่ะดูก่อนนางผู้ซื่อสัตย์การที่เธอจะยอมถ่ายถอนเครื่องประดับนี้ด้วยชีวิตของเธอนั้นนะ ซึ้งใจเรายิ่งหนักเธอจงเบาใจเธอเพราะธรรมของพระศ า, าสดาได้ชุบย้อมจิตใจของเราให้มองเห็นชีวิตมนุษย์และแม้สัตว์ทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงไม่อาจจะนําสิ่งของภายนอกมาเทียบได้อันหนึ่งเธอก็เป็นที่รักไว้ใจของเราเธอเป็นผู้ทํางานดีซื่อตรงทั้งต่อนหน้าและรับหลัง มีความจงรักนายของตนไม่เสื่อมคลายและก็ปรวนแปร ى. ด้วยเหตุนี้เธอจึงได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเราความดีของเธอนั้นมีอยู่มากความพลังเผลอบกพร่องเพียงเท่านี้น่ะจะลบล้านความดีของเธอได้ขนานไหนเมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงหญิงรับใช้ยิ่งข้ามครัวนหนักขึ้นเธอกอดเท้าทั้งสองของนายและใช้ใบหน้าคลอเคลียอยู่ด้วยความรักและกระตันอยู่ และแล้วเมื่อนางวิสาขาดึงมือนางให้ลุกขึ้นนางก็ยิ้มทั้งน้ำตามองดูนายของตนด้วยแววตาที่เหมือนเปิดลิ้นชักหัวใจให้เห็นได้หมดประดุดแววตาแห่งสัตว์เลี้ยงเป็นต้นวาสุนักอันแสดงออกยาเมื่อได้รับอาหารจากนายของมัน มหาอุบาสิกาต้องใช้ความคิดอย่างหนักว่าจะทํายังไงกับเครื่องประดับมหาแลดาปราสาทนั้นเรื่องนํามาใช้อีกานางไม่สามารถทําได้จะเก็บไว้เฉยๆก็ดูจะเสียประโยชน์ไปนางจึงตัดสินใจว่ารุ่งขึ้นจะลองบอกขายถ้าได้ซัดมาจํานวนตามราคาอันเหมาะแห่งเครื่องประดับแล้วก็จะนํามาทําบุญทํากุศลต า, ตามต้องการแต่ปรากฏว่า ในเมืองสาวัตถีไม่มีใครสามารถซื้อได้ผู้ถึงคนมีเงินพอซื้อได้นั้นน่าจะพอมีแต่คงจะไม่มีใครกล้านํำมาเครื่องประดับของนางวิสาขาซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั้งเมืองมาประดับตกแต่งได้ถ้าผู้ใดทําเข้าแทนที่จะได้รับการยกย่องชมเชยจะกลับกลายเป็นผู้ถูกยอกเย้ยย้ำหยันไปนางวิสาขาจึงตกลงใจ ซื้อของของตนเองด้วยราคา9กโกรหรือ90ล้านบาทแล้วนำเงินจำนวนนั้นทั้งหมดไปสร้างอารามใหม่ชื่อว่าปุปาราามเพราะอยู่ทางทิตะวันออกแห่งพระนครสาวัตถีการสร้างปุปาราามเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด27โกรคือซื้อที่ดิน9กโกรสร้างกุฏิวิหาร9กโกรและจ่ายในการฉลองอีก9กโกร นาปุกพารามนี้เองมีเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐคือวันหนึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นแล้วประทับณภ า, ายนอกซุ้มประตูกาลนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จมาเฝ้าเมื่อพระองค์ประทับณที่สมควรและสนทนากับพระาศาสดาเป็นสารานิยะอยู่นั่นเองมีนักบวชหลายนิกายกล่าวคือนิกรณเจดคน เอกษาดกเจ็ดคนอจเจละกะเจ็ดคนปริพาชกเจ็ดคนและชดินอีกเจ็ดคนรวมส5สิห้าคนซึ่งล้วนมีเรายาวมีขนรักแร้ยาวถือบริขารต่างๆเดินผ่านมาพระเจ้าปเสณที่โกศลเห็นนักบวชเหล่านั้นแล้วจึงผินพระพักจากพระผู้มีพระภาคหันไปทางนักบวชเหล่านั้นคุกพระชานุข้าหนึ่งลงทาผ้าห่มเวียงบา พลางประกาศพระนามและโคดของพระองค์ว่าข้าแต่ท่านนักรตผู้ประเสริฐข้าพระเจ้าคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดังนี้สามครั้งเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงนักบวชเหล่านั้นหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินเลยไปพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงหันมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระจอมมุนี นักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอาหารหันต์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นแน่แท้พระสุคตเจา้ามีพระอาการสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตรัสว่ามหาบพิษพระองค์นะ่ะเป็นเคระหหัดยังบริโภคกามบันทมเบียดโอรสและชายาทรงผ้าที่มาจากแขวนจาสีทัดทรงของหอมโลปไหลได้จุนจัน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 ความกล้าหาและเรี่ยวแรงรู้ได้ในเวลามีอันตรายทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุสามอย่างประกอบคือการเวลาปัญญาและมนสิยการพระผู้มีพระภาคทรงตอบอย่างโวมิให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนถ้าพระองค์จะตรัสตรงๆว่านักบวชเหล่านั้นน่ะไม่ได้เป็นอร ห, รหันต์หรอกที่แท้น่ยยังเป็นผู้ชุ่มไปด้วยกิเลสก็จะเป็นการยกตนของผู้อื่น ถ้าพระองค์จะทรงรับรองานักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์พระเจ้าปเสนที่โกศลก็จะพึงดูแคลนพระสัพพัญยุตยานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พระเจ้าปเส์ที่โกศลจึงกราบทูลว่าอัศจรรจิงพระเจ้าข่าอัศจริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัพพัญยูโดยแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐความจริงนักบวชเหล่านั้น คือจาระบุรลุษซึ่งข้าพระองค์ส่งไปสอดแน่งเหตุการณ์บ้านเมืองนักแคว้นต่างๆเมื่อถึงบ้านแล้วบุรลุษเหล่านั้นย่อมรูปไหล่ด้วยของหอมนอนเบียดบุตรและพันยาพรั่งพร้อมด้วยจามาคุณห้าพระสุขจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าบุคคลไม่ควรพยายามเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชี และไม่พึงมีแผนประพฤติ ธ, ธรรมบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีด้วยเหตุเพียงรูปร่างผิวพัธุ์ก็หาไม่ได้ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นการเพียงครู่เดียวคนชั่วเป็นอันมากเที่ยวไปโดยรูปลักษณะแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและหม้อโลหะซึ่งฉาบไว้ด้วยสุวรรณมองแวววาวแต่เพียงภายนอกแต่ภายในไม่สะอาด คนชั่วในโลกนี้เมื่อบริวาแรแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปได้อย่างคนดีเขางามแต่นอกแต่ภายในไม่บริสุทธิ์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 คือความละเพื่อวิราคะคือความคลายกำนัดจินดีและเพื่อนิโรธะคือความดับทุกข์ในตอนท้ายพระพุทธองค์ส่งย้ำว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติหรือผิวพัรุ์ก็หาไม่ได้แต่จะเป็นคนดีก็เพราะความประพฤติคนชั่วเป็นอันมากตกปิดความชั่วของตัวไว เหมือนหม้อดินที่ฉาบทาด้วยทองแวววาวแต่เพียงภายนอกเท่านั้นสรุปว่าทรงย้ำให้คนทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นให้หลงเข้าใจผิดหรือหลงเคารพนับถือทั้งทั้งที่ตนเองเป็นคนเลวข้าพระเจ้าขอวกมากล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขาต่อไปวันหนึ่งนางวิสาขามีผ้าเปียก มีผมเปียกเดินร้องไห้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระตถ า, าคตตรัถามก็ได้ความว่านางวิสาขาเสียใจเพราะหลานสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งตายลงนางรักเธอมากเพราะเธอเป็นคนดีช่วยงานทุกอย่างรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลด้วยข้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลก ข้าพระพุทธเจ้าเสียใจในมรณะกรรมของหลานสาวคนนี้เหลือเกินเธอเป็นคนดีอย่างจะหาใครเสมอเหมือนได้ยากพระตถาคตเจ้าทรงดุสณีอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอื้อนพระโอษฐ์ว่าดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาวัตถีนี้มีประมาณเท่าใดมีหลายสิบล้านพระพุทธเจ้าค่ะ แล้วถ้าคนเหล่านั้นดีเช่นสุทัตตีหลานของเธอเธอจะรักเขาเหล่านั้นหรือไม่รักพระเจ้าค่ะแล้วคนในเมืองสาวัตถีนี้เนี่ยตายวันละเท่าไหร่ล่ะวันหนึ่งหลายๆคนพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นน่ะเธอก็ต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกอยู่อยางนี้ทุกวันน่ะสิ เธอต้องร้องไห้คล่ำครวนมีใบหน้าอาบด้วยน้ำตาอยู่เสมอเพราะมีคนตายกันอยู่ทุกวันวิสาขาเอยตถาคตกล่าวว่าความรักความอะไรเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าไรย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นรักหนึ่งมีทุกหนึ่งมีรักสิบก็มีทุกสิบมีรักร้อยก็มีทุกร้อย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 จึงมีบางครั้งที่เผลอสติไปแสดงอาการเยี่ยงชนทั้งหลายพระอาหารหันต์เท่านั้นที่มีสติสมบูรณ์สิ่งอันเป็นที่รักย่อมทำให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบของดวงใจย่อมปราศนาการไปยิ่งความรักอันเจือด้วยนั้นทิราคาด้วยแล้วยิ่งทาให้จิตใจอ่อนไหว และสีสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปรียบด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ําก็หมดไปเหลือไว้แต่รอยกระแทกกระทันกระทบกระทืนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบประนีถ้าเราสามารถทําใจให้ยินดีต้อนรับความขมขื่นและไม่เพลิดเพลินในความชื่นสุขให้มากนักอย่างน้อย ก็ทำใจไม่ให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว